ในครั้งนี้ก็มาปา ร, รบเกี่ยวในเรื่องของพระพุทธคุณนะครับคือคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าการศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกอัดทุกพยัญชนะเนะี่ยบงบอกถึงการศึกษาในเรื่องของคุณของท่านทีนี้การศึกษาเรื่องคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็ต้องเมือ่อเมื่อศึกษาเป็นไปตามลําดับแล้วเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจพระธรรมของพระเจ้ามากขึ้น อย่าแปลกใจนะว่าทำไมการศึกษาคาสอนของเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางทีมันติดขัดในเรื่องของการไม่ค่อยเข้าถึงพระธรรมเนะเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในเรื่องของพุทธคุณนั้นลนมากก็จะไม่ไม่ค่อยชัดเจนนั่นเองถ้าศึกษาในด้านของพุทธคุณไม่ชัดเจนก็เลยเป็นเหตุแห่งการที่ จะเกิดความลึกซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระพุทธมเจ้านั้นเนี่ยได้ไม่ชัดหรือได้ไม่ดีพอฉะนั้นตรงนี้นี่แหละท่านจึงพยายามเน้นตลอดเวลาให้สังเกตดูว่าพระคุณของพุทธเจ้าจะแผ่ประอรกระจายไปทั่วชมพูทวีปแล้วก็ทั่วโลกนะแล้วก็แผ่ไปจนถึง ชาตุมหาราชิกาเป็นต้นไปตามลำดับนู่นแหละจนถึงพระวัคภูมิพระวัคภูมิมีทั้งสามระดับเลยนะั่นคุชนพระว่กฆาสภะพราวัาและก็อริยะภระวัาในระดับต่างๆเหล่านั้นล้วนแต่มีพุทธคุณอยู่ในใจิตใจเทนะั่านั้นนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงท่านเหล่านั้นะมีความเข้าถึงคุณของพระพุทธมีพระพักเจ้าทีนี้ถ้าหากว่าสังเกตจากคําสอนของพระพุทธเจ้า ออถ้าหากว่าสังเกตให้ดีๆเนี่ยจะเห็นว่าจะเห็นว่าคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือที่พระพุทธพจน์ก็ดีคําสอนของของพระบรมศาสตดาก็ดีที่พระองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยเนี่ยในการสังเกตอคกขะหรืออักษรของพระธรรมคําคสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้เนี่ยเนี่ยท่านตั้ง เป็นคาถาเขาไว้ว่ า, าวยัตถายัตถ า, าดายันตักขเรวินยูทัดเสตินาจาเสสเกตังตุอาทยันตั ง, เก ต, ตง เ, ออเกตุงเกตังวินเยยยังพันธวินยูนาที่ตรงนี้ก็คือว่าวิธีสังเกตอักขระหรืออักษรของพุทธพจน์ แต่ท่านให้ข้อสังเกตไว้ดีที่บอกว่าในพันธะใดาเนี่ยนะวินยูเนี่ยวินยูหมายถึงบัณฑิตแสดงอักขระเบื้องต้นและอักขระที่สุดพุทธพจน์จะมีอักขระตัวแรกกับอักขระตัวสุดท้ายและไม่แสดงอักขระที่เหลือก็พันธะนั้นท่านผู้รู้พันธะทั้งหลายก็ทราบว่าเป็นอาทยานตะสังเกต ก็หมายความว่าคาถาเนี่ยเริ่มชี้แจงพ่อที่ว่าด้วยการกําหนดอักขระเบื้องต้นและอักขระเบื้องปลายนี่ยท่านให้กําหนดไว้กับพันท่คือคาถาหรือคําที่ร้อยกองการรจนาแสดงอักขระเบื้องต้นและอักขระเบื้องปลายแต่ไม่แสดงอักขระอื่นไว้ก็ให้สังเกตอักขระเบื้องต้นและเบื้องปลายซึ่งผู้รู้ความรู้ในพันทะก็ย่อมเข้าใจเป็นอย่างดีท่านโยบทางอ่อนบอกว่า ทันตาปิติต ก, กาอาทิเทศิตาปิวิสุงวิซุงเอเกเอเกกังอุทธริตวานะวิพเชยปฏิปาติยาพระไตรกนะิฎกมีอคาาละตัวอะเนี่ยเป็นตัวเบื้องต้นมีอคาาละตัวถานนี่เป็นที่สุด ก็คือพระเจ้าเนี่ยเมื่อตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยกล่าวคำว่าอ่านี่ก่อนแล้วก็คำว่าถามีสุดท้ายแล้วก็ไม่พูดอีกเลยเนี่ยนะแม้ผู้ทรงพระผู้มีพระภา็ทรงเทศนาไว้แผนกหนึ่งบัณฑิตก็ยกขึ้นแต่ละข้อก็จำแนกโดยลำดับนะฉะนั้นในการแสดงพระไตรปิฎกที่พวกรมาสดาทรงเทศน า, าไว้เนี่ยนะโดยอเนก ป, ปริ ย, ยมีมากมายนะ ท่า น, นจะอนเนกปริยายมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะแสดงให้กับมนุษย์เทวดามารคมหรือนา้าหรือยากอะไรต่างๆก็ได้แต่เนี่ยนะแม้แต่บริษัทอบายศาตร์งั้นพรบรมศสาสดาทรงแสดงไว้ตัวแรกก็ต้องอักขระตัวแรกก็อักก็อองอ่านเนี่ยนะแล้วลงสุดท้ายก็ลงถ่าแต่หมายความว่าอันนี้หมายถึงปฐมพุทธวจนะกับปัมฉิมพุทธวจนนะเนี่ยที่ตั้งโดย อัคระอาก็หมายถึงพุทธดำหลักที่พระบรมศาสดาตรัสบอกว่าตรัสอัคระได้แก่พระพุทธดำหลัสที่บอกว่าอเนกชาติสังสารังสันดาวิสังนิพิสังคาหาการังเขเวสันตโตดุขาชาติปุนาปุณัง คาการาคทิทโทสีกุณกเคหังนั ก, กาหาสีสัพเสัาเตพาสุกาภาคาคากูตังวิสังคตังวิสังคารคตังจิตังตันหานังขยมัชคาเนี่ยบอกว่าเราเที่ยวค้นหาตันหา ที่เป็นตัวสร้างเรือนคืออัตภาพเมื่อไม่พบจําต้องท่องเที่ยวไปเพราะเราเที่ยวค้นหาตัณหาคือเที่ยวค้นหากรมตัณหาภวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาเที่ยวค้นหารูปปัตนหาสัทธตัณหาคันธาตัณหาระสะตัณหาโพธิภาพตัณหาแล้วก็ธรรมตัณหา เราเที่ยวค้นหาตัณหาหกเนี่ยนะตัณหาสามที่เป็นไปการรวมหกก็เป็นเท่าไหร่หกสามสิบแปดใช่ไหมในอัตภาพของตนเองก็สิบแปดในอัตภาพของบุคคลอื่นก็สิบแปดรวมเป็นสามิบหในตัณหาสามโกที่เป็นไปในอัตภาพตนและบุคคลอื่นในส่วนที่เป็นปัจจุบัน สามสิบหกในส่วนที่เป็นอนดีตอีกสามสิบหกในส่วนที่เป็นอนาคตอีกสามสิบหกรวมเบ็เสร็จก็คือเราเนี่ยค้นหาตัณหาเนี่ยร้อยแปดเนี่ยนะไอนี่ได้บันทึกหรือย่างเนี้ยตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้กดบันทึกต้องดูดนะกดเลยเลยทำไมไม่วิ่งเนี่ยตรงเนี้ยนะ เรานั้นเที่ยวค้นหาตัณหาที่เป็นตัวสร้างเรือนคืออัตภาพเรือนคืออัตภาพในที่นั้นคือตัญหาสร้างอะไรตัณหานั้นก็สร้างรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและนวิญญาณขันตัณหานั้นสร้างอะไรสร้างจากขวายตนะรูปายตนะโสตายตนะศรัทธายตนะคานายตนะคันทายตนะใช่ไหมคิวหายตนะราษายตนะกายายตนะขวดพายตนะ แล้วก็มัายัตนะก็ทำม า, ายัตนะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันสร้างอะไรสร้างขันห้าสร้างอายตนะสิบสองสร้างท่าสิบแปดใช่ไหก็คือมันสร้างตัวสังสารวัตทีนี้ตัณหาที่จะสร้างสังสารวัตได้นั้นตัณหาต้องเกิดร่วมกับอะไรร่วมกับกรรมกับร่วมกับอวิชชาใช่ไหม เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของอุปาทานขันเนี่ยที่ตามมันตัญหาและทิฏฐิเข้าไปติดยึดไว้โดยความเป็นผลเนี่ยก็หมายความบอกว่านี่นยงไงตัวโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายกับใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยทัานหามันสร้างแล้วมันยึดว่าเป็นผลของมันเมื่อมันเย็ดเราโดยความเป็นผลของเขาแล้วเนี่ยยึดยึดไว้โดยความเป็นผลของเขาไปเสร็จแล้วเนี่ยในที่สุดจริงๆเขาก็ ในที่สุดจริงๆเขาก็จะทำให้ขันนั้นน่ยยืดยาวต่อไปเพราะเขาเป็นตัวสร้างฉะนั้นพระบรมศาสดาบอกว่าเราเที่ยวค้นหาตัณหาเที่ยวมาเท่าไหร่ยี่สิบประสงค์ขายยิ่งโดยแสนน่ยนั่นแหละคือเที่ยวค้นหาเอ ห, หาตัวสร้างเนี่ยหาตัวสร้างตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยหัวหาตัวสร้างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธทัอารมณ์เนี่ย หาตัวสร้างจากขู่วิญางโสตัดวิญางทางนั้นโยยานชิวหาอวิญางกายแยวิญานแล้วก็มโนอวิญานเนี่ยหาตัวสร้างจากขู่สัมผัสเนี่ยโสตัสัมผัสทางนะ้สัมผัสชิวหาสัมผัสกายแยกสัมผัสแล้วก็มโนสัมผัสหาตัวสร้างอะไรจากขู่สัมผัสสาเวทนาโสตัสัมผัสสชาเวทนาทางนัสัมผัสสชาเวทนาชิวหาสัมผัสสชาเวทนาแล้วก็กายมโนสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้น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 พระพุทธเจ้าบอกเราเที่ยวเนี่ยเที่ยวเนี่ยไม่ใช่เที่ยวไปเพลิดเพลนนะเที่ยวแสวงหามันผิดกับเราเที่ยวใช่ไหมในสังสารวัตรที่ผ่านมาเราไม่ได้เที่ยวหาเราไม่ได้เที่ยวเที่ยวหาสัมมาสัมปวียานมาได้มาเราไม่ได้เที่ยวค้นหาใช่ไหมเราไม่ได้เที่ยวเราไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาสัมมาสัมปวิยาณก็ไว้ไม่ได้ตั้งจิตปรารถนาพเจ้าพอดีญาณก็ไว้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 ฉะนั้นไอ้ปัญหาทั้งหลายนี่แหละมันจึงเป็นที่ตั้งของชาติที่ทุกชาราทุกมรณะทุกโสกกระดิ่งเดวะทุกขโทมรณะสารและก็อุปาญาตแต่สัตว์โลกนี่ยไม่เข้าใจรู้ไม่ทุกรู้รู้ไหมว่าจะออกจากไงไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมแต่พระรัชกาลเนี่ยเที่ยวค้นหาพระองค์เนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์รู้แล้วพระองค์เป็นคนฉลาดนี่นะ เป็นพระโพ ธ, ธิสัตว์นท่านก็รู้ว่ามันจะเนี่ยเราจะหามันยังไงจะดับมันยังไงตัวเหตุเกิดของอัตภาพทั้งหลายเนี่ยมันดับไม่ได้มันรั้นไหมทีนี้พวกเราไม่เคยคิดข้อ น, นั้นกันใช่ไหมอย่างใ้เกิดมาในปัจจุบันอีกคิดเรื่องอะไรอัวนวันหนึ่งคิดเรื่องอะไรคิดเ่าจะทําอะไรป่วยก็รักษาอยู่แค่เนี้ยจะทําอะไรดีจะทําให้ตนเอง ได้อยู่ดีกินดีหน่อยอย่างนี้นะจริงไหมแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวพอยาป่วยเจ็บไข้ก็เข้าโรงพยาบาลมีปัญหาก็ทํางานทําการกร็ดูเลี้ยงดูแลซึ่งกันและกานไปแล้วก็ตายไปตายไปตายไปมันก็เกิดใหม่ตายก็เกิดแล้วก็ไม่รู้อีกเพราะหมอหามันปิดหมหามันปิดหมหามันบงังเขาไว้อันนี้วันวันหนึ่งเราเที่ยววิ่งไปนู่นมานี่เที่ยววิ่งไปนูน่นเราเห็นไหม เราเห็นความเกิดเป็นทุกข์เราเห็นความแก่เป็นทุกข์เราเห็นเห็นความเจ็บคข้เป็นทุกข์จริงๆมั้ยคือเห็นจนถึงขนาดว่าเราจะไม่อยากเกิดไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บ ไ, ไม่อยากตายอีกแล้วเนี่ยไอการปกเร้าความคิดบอกว่าออกจากการเกิดเกินสัทีเธอเนี่ยพระพุทธเจ้าปลุกเร้าวันนั้นใช่ไหมแต่พอกระแสพระธรรมของพระพุทธเจ้าเริ่มผ่อนคลายไปตอนที่พระองค์ องค์ทรงเสด็จกลับการได้ปริทินตอนนั้นก็ยังมีกระแสดังอยู่อยู่มั้งก็กระจายกระจายอยู่แต่ลดโทนดังลงมาเรื่อยเสียงพุทธคุณทั้งหลายเสียงธรรมคุณเสียงสังฆคุณทั้งหลายเนี่ยจานวนเริ่มลดลงลดลงลดลงในปัจจุบันเนี่ยลดลงจนในห้องใจของเราท่านทั้งหลายเนี่ยไม่มีคนเพื่อเจ้าเหลืออยู่แล้วบังขนาเนี่ยเคยสังเกตไว้แล่ะ มันมีแต่วัตถุกกรรมมีแต่เรื่องการมอาขุณทั้งนั้นเลยตัวเนี้ยจะทํากันยังไงเนี่ยมันตายขนาดนั้นแล้วจะทากันยังไงเนี่ยใช่ไหมในใจเริ่มจะไม่เห็นคุณของพระเจ้าและเริ่มจะลดลงลดลงลดลงในข้าในข้ามึดสนิททแล้วก็จะปิดประตูอีกยาวนานเลยแสงเทียนในใจไม่ส่องขึ้นมาเลยจะทํากันยังไงตัเนี้ย พอเราทำท่าจะมาทำท่าจิต จ, จ, จ, จุดหน่อยก็ไปดับซะอีกแล้วทำท่าจิตจุดหน่อยก็ไปดับซะอีกแล้วให้ทํายังไงดีเนี่ยใช่ไหมเรื่องพทธามนี่ไม่มีเร็วๆไวๆเลยอะเรื่องคําสอนเนี่ยถ้าลองเรื่องวัตถุ ก, กรรมดีเนี่ยลองดิมีทกิ้งก็มาดิลองอยูดิไฟไม่บ้านหอตาเหลือกเลยเนี่ยออกไปทันทีเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นหรอใช่ไหมใช่นี่รู้เลยเนี่ย สต่ยอย่างที่ว่านางเมลิกาบอกสามีลูกตายมันในสงคามหมดแล้วนางนางันง่งฟัทงทำเฉยเนะี่ยทำได้นะหรือเศรษฐีท่านหนึ่งเนะี่ยว่าตอนนี้ก็ขนทรัพย์ไปครึ่งบ้านแล้วท่า น, นก็นั่งฟังเฉยลองทำดูบ้างถึงานเหนื่อยใจนะนะลองลองวางให้ได้อย่างนั้นดูนั่นแหละไึ <c oughs> ่จะรู้ว่าอยู่ห้องของพระเจคุณมันเต็ม บางทีเราก็ฟังทำแล้วยังเปิดโทรศัพท์อีกใช่ไหมนั่นบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยเราห่วงวัตถุ ก, กรรมมันห่ ว, หวงวัตถุ ก, กรรมมากกว่าพระพุทธคุณเนี่ยก็ใจเป็นแบบนี้แล้วไม่จะทําไงเนี่ยใจไม่มาตั้งพระพุทธเจ้าแ ล, แล้วไปวัตถุกรรมหมดแล้วยังลุกตัวอีกไปหมดแล้วทีนี้เมื่อไปหมดแล้วเนี่ยเราทำไง แล้วก็กลายเป็นคนประเภทที่อ่อนแอมากถ้าเรามีลูกสักคนที่เขาอ่อนแอมากๆนี่นะอ่อนแ อ, อยังไงรู้ไหมให้เรียนแล้วเขาเกอ่ะเขาไปในเรื่องเกมากที่สุดเขาไม่เอาเรื่องเอาลาเลยเลยถามว่าจะทุกข์ใจไ้ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ดีนะเพื่อเจ้าหมดกิเลสแล้วที่ว่าเพื่อเจ้าการุลนาแต่พ่อแม่ที่ยังมีกิเลสก็โอ้โหต้องเป็นห่วงต้องสงสารลูก ว่าลูกคนเนี้ยมันแย่แน่ๆต้องมันไม่ศึกษาเล่าเรียนแล้วชีวิตจะอยู่ยังไงถ้ า, าตายไปแล้วเนี่ยลองคิดดูพระบรมศาสดาถ้าเราป ร, รินิพานไปแล้วเธอจะอยู่กันยังไงพระธรรมที่ให้ไว้เธอก็ไม่เข้าใจเธอก็ไม่พลิกมาศึกษาหรือประพฤติปฏิบัติกันจริงๆจริงๆจังๆเธอก็อยากวิ่งท่องเที่ยวไปมาอยู่ในสังสารวัตนี้แหละ ต้องคิดดูพระมหากรุณาที่คุณของพระเจ้าต้องยืดอายุของตัเองอยู่สี่สิบห้าปีในการที่จะไม่บริญิพานนยเพราะอะไรรนะู้ไหมนั่นแหละพระมหากรุณาที่คุณที่เต็มเปี่ยมแต่พวกเราก็ไม่รู้พวกเราก็เรียกมีอะไรมีอรารยะรามาเป็นผู้มีตัณหาเป็นที่มาแห่งความยินดีนะคือเรายินดีในวัตถุ ก, กรารรมเนี่ยกับมีกิเลสกามมันยินดีแบบนี้หมดแล้ว ใช่ไหมพระเจ้าทำไมคนฝ่ายนอ้อยไม่รงแสดงธรรมเออถ้าไปดูในคัมภีร์วันก่อนเนี่ยดูแล้วทำให้คิดนี่นะที่บอกว่าสมัยที่พระบรมศาสดาตรัสรูประทับอยู่ที่ต้นอัชชาประรานิโคตแทบฟังแม่น้ำเนรัญชาอุรุเวลาประเทศ เราไปมาแล้วนี่ยอุรุเวลาปัะเทศก็คือสถานที่ตัดสรุปตอนนั้นตัดสรุปเบีดเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาประทับอยู่ที่ตรงนี้แหละหลังจากสวยมติสุขแล้วนี่แหละก็ประทับที่ต้นอัชชาปารานิโคดครั้งนั้นนะ่ยความปริวิตกในภาษาไทยของพระอุรุมศาสดาก็เสด็จเข้าที่ลับสมปรีกเนี่ยนะก็ไปค่ายครควน พิจารณาอยู่ว่าทำที่เราตัทรู้นี่รึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีคาดทะนีเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตเอาดิหมู่สัตว์นี่แหลยังยังยินดีด้วยอะไรยินดีด้วยยินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรเห็นมหมยินดีด้วยอะไรยินดีแล้วในอะไรปัจจุบันให้ยินดีด้วยอะไรนะแล้วก็ ในอดีต่างๆที่ผ่านมาหรือว่าในอนาคตต่างๆเนี้นที่เจอก็จะไปยินดีในอะไรคือยินดีอย่างยิ่งนะเบิกบานด้วยถ้าได้วัต ถ, ถุการมชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาจะเบิกบานมากเช่นได้ตาตะโคมโตาหลานนี่สวยเลือ่องๆตาลูกนี่สวยเลือ่องๆเนี่ยเขาจะยินดีเบิกบานเลยถามว่ามีคนโทรกิ้ง่าบอกว่าไม่รู้ใครเอาเอาเอ า, เอาเงินทิ้งไว้หน้าบ้านร้าน ดีใจมเขาบอกบริาจาคใ ห, ห้เขียนใจดีใจมากถ้าบอกมีเขียนบอกว่าเชิญศึกษาก็ทำเจ็ดวันเจ็ดคืนอันนี้ดีใจมากบอกว่าเขาลมุมเลยใั่ไหมเน่ยเห็นไหมเนี่ยนั่นน่ะคือถัดยินดีด้วยอะไรอยก่ี้ลิลระเบิด บ, บาลต่างกันใช้ไหม โอ้โหชาวบ้านเล่น ไ, ไงตั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนใช่ไหมจริงไหมเรามีค้างเรามีวัตถุกรรมทีต้องดูแลเยอะเรายังติดวัตถุกรรมอยู่เราไปไม่ได้จะจะไเปเฝ้าพระเจ้าบอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราไปไม่ได้เพราะเรามีวัตถุกรรมนี้ต้องดูแลใช่ไหมเรามีตาหูจมูกเล่นกายใจตั้งหลายตั้งหลายคู่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 ว่าถูกเครื่องใช้ทั้งหลายเยอะแยะหมดที่เราต้องดูแลต้องเราต้องปกครองจะทําำยังไงเราไปแล้วใครจะดูแลนี่กลับมากล้วต้องมาเจ็บต้องมาขวัดนี่มันเป็นอย่างนี้ใครไปได้อย่างลงใจไหมครับไปแล้วไปเสร็จจะไม่ห่วงอะไรอ่ อ, อนเลยไปหน้าไม่ห่วงหลังเลยทําได้ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมออไม่ง่ายเลยใช่ไหมแต่วิญญูณชนทั้งหลายเก็ทําไปอย่างนี้น ทุกอันเนี่ยทำยางแล้วม่นั่งวุจัยด้วยคิดเจรณานะดูเห็นแล้วโอ้โหแล้วต้องหายยาวๆเลยใช่ไหมบอกโอ้โหเลยเนี่ยคือธรรมะที่จะออกจากวัฏฏะเนี่ยเขาคิดแบบนี้ไม่ๆม่ม่ไอาจารย์ก็เกรงใจไม่เกรงกลัวเลยเดี๋ยวนี้เดียเด๋ยวนี้เวลาเหลือน้อยใช่ไหม โดยเฉพาะทั้งพู ด, พดทั้งผู้ฟังเนี่ยตางคนต่างเหรอ น, น้อยหมดเลยเนี่ยและไม่รู้เลยว่าจะไปกันเมื่อไหร่เนี่ยพอ้าไปนอนหลับแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาจะกลับมาเจอกันอีกเปล่าก็ไม่รู้นอนยังหวาเสียวอยู่เลยตอนเนีเ้ยจะจะลุกได้หรือเปล่าเนี่ยวั น, นเนี้ยคืนนี้ขนาดนั้น้เลยะะเดี๋ยวนี้จะลุกได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพราะมันน้างเป็นเรื่องที่พอพอจะหลับฮะ น้นพอพอจะหลับตาลงปุ๊บเนี่ยแล้วนึกนึกว่าเอ๊ะจะมีโอกาสตื่นขึ้นมาหรือเปล่านึกอย่างนั้นทุกวันจริงๆริแล้วอ่ะถ้ามีมีโอกาสตื่นมาแล้วตอนนี้ละกุศลมันเดินอยู่ไหมใจมันเป็นใบกลืกุศลไหมเพราะเห็ น, นคนนอนปับ๊บแล้วก็ลุกไม่ได้วินญามภาสก็เยอะเดี๋ยวนี้นอนไม่กลา้าล็อกประตูเนี่ย ว่าเขาจะมาทำลายของสงของอะไรเปิดเขวาเปิดเครื่องหมายถึงกับวนขน้างล่าก็รอดเพราะเรารู้แล้วว่าเวลาเวลาหลับหลัไปเนี่ยไม่มีไม่มีนิมิตหมายบ่งบอกอะไรเลยว่าเราจะได้ตื่นคิดอย่างนั้ น, นีิไม่มีนิมิตอะไรให้เรารู้เรื่องเลยเลยว่าเราจะอยู่ได้อีกวันอีกวันมันขนาดนั้นแล้วในชีวิตตอนเนี้ย ไม่รู้ใครคิดแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รคิดอย่างนั้นจริงๆนะนั่นต้องรีบถามถามถามย่าให้มันมีกังวลแต่ละวันแต่ละวันตอนนี้กังวลอย้า้มันมีอย้า้มันมีอะไรมากเพราะสิ่งที่เราอะไรมันจะเป็นอารมณ์ก่อนตายของเราใช่ไหมก็เลยต้องถามแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเอาความแน่นอนไม่ได้เลยขันขันไม่รู้จะวิบัติไม่รู้จะมาแตกตับมันรู้มันจะจิตติมากหล่ นีเวลาจะหลับตาแต่ละครั้นมันมีกแล้วเนี่ยโอ้เนี่ยวันนี้ได้เจริญกุศลอะไรเออบารมีอะไรบ้างที่ได้หวานลงไปในเป็นอัธยาศัยอาธานได้ไหมศีลได้ไหมเลขธรมะได้ไหมปัญญาได้ไหมวิริยะได้ไหมขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาไม่ได้ไหมที่จะขัดเกาอัตยาศัยคือขัดเกาว่าไม่มโลกเราจะใช้ทานขัดเกาความไม่โลกอย่างไร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 เออแล้วเราจะพิจารณาไงเนตขมมะจะเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็การจะวิเวกาดทัติยาศัยชาสยะเราจะใช้อเวขาในการกัดก่อนคิดม่นอยู่เนี้ยถ้าอย่างนั้นมันก็ถ้าไม่เพียรอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ออกแล้วเมื่อไหร่เราจะพ้นทุกข์มันทรมานใะนการออกมาแบกตาหูวจมูกลิ้นกายใจวิ่งท่องเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่เนี้ย ถ้ามาแบกตาหูจมูกเล่นกายใจที่อยู่ในสถานะที่เหมาะที่สมก็เพราะว่าใช่ไหมเออบางทีมันไม่ได้มีเหมาะสมเราคิดถึงอดีตกันที่นั่งๆอยู่เนี่ยแต่ละวคนเจ็บปวดแค่ไหนแล้วเจ็บปวดแค่ไหนที่ยมาเล่าเนี่ยคือส่วนหนึ่งของความสุขแต่จริงๆเนี่ยมันทุกข์การทํามาหากินตอนนั้นเนี่ยลองคิดดูแต่ขนาดจิตที่เราทุกข์เรากังวลขนาดไหนไหนลูกไหนตนเองไหนสามีภรรยาไหน เตราเนี่ยนะในยาิมิดเราจะทำยังไงเนี่ยเอยเราจะมีทรัพยาอะไรต่างต่างเหล่าลนี้มันแสนจะทรมานนะเดี๋ยวคนนั้นตายคนนั้นเจ็บก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างเงี้ยเอยชีวิตมันมันดูเหมือนมันจะสุขแต่มันไม่สุขไงฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ทั้งหลายยินดีแล้วในอะไรเบิกบานแล้วในอะไรจะพึงเห็นได้ยาก แม้ฐานะก็เห็นได้ยากและธรรมที่เป็นที่ระบนับสังขารทั้งพวงก็เห็นได้ยากฐานะเนี่ยธรรมที่สลัดอุป ธ, ธิทั้งพวงธรรมที่เป็นที่สิ้นตังหาธรรมที่สัมรอบตังหาพระนิพพานก็ถ้าจะพึงเราจะพึ ง, พงสแสดงธรรมแต่ชนเราอื่นจะไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมของเราข้อ น, นั้นจะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยของเราพระเจ้าบอกว่าถ้าพราะองค์จัดแสดงธรรมเนี่ยถ้าจัดแสดงธรรมเนี่ยนะ มันเป็นความเหนื่อยอาการเหนื่อยมีสารจุดเนี้ยกายเหนื่อยวาจาก็เหนื่อยในขยับขึ้นขยับลงเนี้ยแล้วก็ใจก็เหนื่อยแต่พระพุทธเจ้าใจไม่เหนื่อยหรอกไม่ผิดกับบุตรชนใจของพระองค์ไม่ได้ท้อใจไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรหรอกแต่กายกันเหนื่อยแล้ววาจาที่ขยับแสดงทำอย่างปริมาณอย่างมากมายเหนื่อยห้าปากขึ้นหน้าปากลองไปลงไปทำโดยเที่ยวหลายชั่วโมงลองทําดยเที่าเหนื่อยไหม เหนื่อยไม่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยใช่ไห้วพูดเป็นวันพูดได้ไมาต้องพูดสักสิบชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะการขยับปากขึ้นปากลงเนี่ยมันไม่สนุกหรอกใช่ไหมเขาหวังผลนะที่พูดเน่ยก็หวังผลใช่ไหมไม่ใช่ว่าพาระพุทธเจ้าเนี่ยไปขยับขยับไปแล้วจัดก็ไม่รู้อะไรให้ขยับทําไมยกเคลื่อนไว รูปขันไปในแต่ใส่ก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเป็นความเหนื่อยของเรามันเหนื่อยจริงใช่ไหมเหนื่อยสมมติว่าเรามีลูกคนลูกมันดื้อมากแต่มันลูกอะ่ะไม่สอนก็ไม่ได้แต่ไปสอนก็เหนื่อยเอ็เราสามเหนื่อยเลยใจก็เหนื่อยกายก็เหนื่อ ย, กากอยวาจาก็เหนื่อยไม่รู้จะพูดยังไงพูดซ้ายไปขวาพูดขวาไปซ้าย บอกมันอย่าไปนี้พูดพูดไปตรงๆเนี่ยมันก็ไปเฉียฉายไปทั่วสรุปแล้วก็คือสิทธิ์ิศเนี่ยก็เหมือนที่เขาบอกแมวอ่ะเนี่ยแมวดื้อสด้านเนี่ยก็เห็นแมวดื้อสีด้านแมวเนี่ยพอเราดึงดึงหางมันก็เกาะมันไม่ไม่ยังไงดึงหัวมันก็ย่นตัวดึงขึ้นข้างบนมันก็อกะพื้นง่อยเนี่ยมันโกง่งดึงลงมันโก่งตัวขึ้นเข้า แต่ก่อนเล้ยวพ่อว่าเรามึงไม่ใช่ว่าว่าว่าว่าว่างอีกคนมึงดื้อยู่แล้แมวเอแล้วเออดื้อไงดืงง้อแมวพ่อคิดได้ไงท่งานถามแต่แกนั่นยี่ปกติทำ ง, งานแค่แคพ่อแมวนดื้อ ไปดึงมึงลองไปดึงแท้แท้แท้ๆก่อมันลองไปดึงดึงลองลาวมันโตัวคือต้องบ่นดึงลองไปดึงก็จริงๆริด้วยต้องดึงแมวดึงหาง ม, มันก็ ย, น ย, นย่นย่นเออแมวดิ้นสีดาแมวดสีดาถ้าเจอลูกอย่างนี้นะแล้วก็ปรมาจาสดาได้ท่านรู้อธิยาสายสัตสัต์เป็นผู้อ่ายินดีในอะไรทำไงออกไม่ได้ใช่ไหม ตัวนี้คือควรกวายเนาะบัดนี้เราไม่ควรประกาศธรรมที่เราตัดสู้ที่เห็นได้โดยยากธรรมนี้เราสัตว์ผู้ถูกราคะโทสะครอบงำแล้วคือหมายความบอกว่าเราสัตว์นี่นะเราสัตว์ผู้ถูกราคะครอบงำถูกโทสะครอบงำถูกโมหะครอบงำจะตัดสู้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมจะตัดสู้เป็นปโสดาบันสกาทานาคาเป็นปัญหาไม่งา่าย เราสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนิดถูกกองแห่งความมืดคุ้มห่อแล้วจักไม่เห็นธรรมอันทวนกระแสถามว่าพระธรรมางคือพระนิพพานนทวนกระแสชาติทุกไหมคือเอานี่นะทวนกระแสจริงนะเช่นการเกิดเนี่ยใช่ไหมพระนิพพานพ้นจากการเกิดความแก่เนี่นิพพานพ้นจากความแก่ความป่วยไข้ทั้งหลายนิพพานไม่มีความป่วยไข้นี่นะความตายเนี่ยนิพพานยังมีความตายอย่างเงี้ย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 เพราะคนไม่อยากออกจากความเป็นทาตเพราะมันเป็นธาตถาวรมานานแล้วเป็นธาตของความถาวรมานานแล้วเหมือนเด็ทุกคนอยากออกจากคุกแล้วเข้าไหมงั้นตอนนี้พวกเราท่านทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายติดจากวัตติดในวัตต์ัดไม่ยินดีจะออกจากวัตต์ตัดเป็นธาถตุาเออเาของตันหาเออเป็นธาตของตันหาเลยแล้วต้องไงเนี่ยมันก็ต้อง กระเสือ่อกระสอนออกมามามามาใคร่ควรดูก่อนว่าเออใช่ไหมว่าตัณหาในที่เราเป็นธาตมันยังยาวนานในสังสารวัฏเนี่ยแล้วมันผู้สร้างอสัณภาพให้เราต้องเสวยธทาตทิทุกชราทุกพยาธิทุกหมดแล้วนะทุกอยู่ล่ำไปเนี่ยเรายังอยากจะเป็นธาตมันอยู่มะทุกวันนี้เรามาประกาศอิสรภาพไว้แล้วนั้นเนี่ยข้าพเจ้าเป็นธาตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเนี่ยนะ ข้าพเจ้าเป็นธาตของพระธรรมข้าพเจ้าเป็นทาตุของพระสงฆ์ในส่วนมวลธรรมที่นั้อย่างนั้นน์ไม่ประกาศแล้วประกาศก็ไม่ก็กระทับใจก็อะไรนะใช่ไหมประกาศจริงเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้ายังสมประชนพระองค์จะตั้งสติสัมปชัญญะกับพวกเราประเภทไหนรู้ไหมพระองค์จะมีสติสัมปชัญญะพร้อมกับฉลังผู้เปียคาทันทีไม่ปีติสมันนะ ไม่พีจิตรสมาธิแต่เราเลยใี่ไหมพระพุทธเจ้าจะตั้งสติประเภทนี่แหละไม่ยินดีไม่ยินละเป็นฉลังกุเปกขาเพราะสังขาร น, นี้อ่ะเก่าสักว่าเป็นธาตุอย่างนั้นแหละเป็นธาตุของเราอย่างนั้นเลยแต่กลับไปเขาก็ไปยินดีที่จะเป็นธาตุของตัณหาพระเจ้าเกิดชังกุเปกขาทันทีกุเปกขาในอารมณ์หกทันทีบอกโอ้เธอยังมีนะยังมาประกาศแบบนั้นทั้งๆ ท, ที่ใจไม่สู้ ใจไม่สู้แล้วถ้ามองดูตาเนี่ยถ้าภาษานักกีฬาเนี่ยก็เรียกตาลอยแล้วตาลอยแล้วครับเพราะเที่ออฟผ้าโบกนี่ไม่เห็นแล้วนนเนี่ยเอามือโบกเขาจะโบกในเพราะพวกนั้นนักกีฬาทั้งหลายว่าสู้หรือไม่สู้ไหวหรือไม่ไหวตอนสมัยก่อนอาจารย์เป็นนัาากกีฬานี่ถ้ามาโบกดูนี่ตาเลยลอยเขาบอกไม่ไขเขาตามั็นลอยก็อาจาไปไปแข่งกับเขานี่นะแข่งแข่งแข่งแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยจาก เหนื่อยเหนื่อยจัดเนี่ยเาก็ไอ้พวกกรรมการเขามาโบกดูเขาก็เลยยกยกยกแพ้งจปะไอหัวเราบังอกสู้นะเราบอกสู้สู้อ๋อพะไรรู้ไหมเราโวยไอคนคอยคุมเราอีกทีอ่ะใช่ไหมพวกที่เทรนเนอร์พวกที่คอยคุมเราถ้าเราเพราะมันบอกให้เราสู้แต่เราสู้ไม่ไหว เราต้อสู้ไมหวแล้วแล้วมองมองมาข้างล่างมันให้เราสู้แต่ใจเราจะขาดอยู่แล้วไปเป็นไหมแล้วใจจะขาดอยากจะนอนใจจะขาดจริงๆเนี่ยถ้าเคยเป็นนักกีฬาอยู่รู้เนือยแสนเหนืยนหน่ย <c oughs> ทีนี้ไอคนข้างล่างก็บอกสู้ดูสิว่าคเสีย <c oughs> <c oughs> ไปเยอะแล้ว <c oughs> แล้วใช่ไหมไอเราก็องบอสู้ไอนี่พปกบรรดาคนที่คอยตัดสินทั้งหลายก็คอยดู เขาจะเสกเกียรตใช้มือเตามตามันไม่ใช่ออยิงตามมืออ่ะอันนี้ก็ื่อตาลอยเขาก็บกผ้าแล้วโยนผ้าเนี่ยแล้วก็บอกผ้ า, นะผ า, าบอกบอกมือแล้วบอกว่าไม่ไหวนะจำไหมเราบอกข้าพเจ้าเป็นท้าทยของพระเจ้าก็ามไม่ดูตาด้วยทีเหมิงเรจริงไหมไม่ตาลอยแล้วจมไหมเนี่ยตาลอยนั่งตาลอยอย่างนี้ไม่เอาแลนะ้วเนี่ย ไม่เอาแล้วหมอไปทันปกไปที่ทันปุกระดมไปที่รวมันนทันปกรับไปยอมไม่เอาหรอกยากนี่เป็นนี้นี่โอ้โหไ ม, ไม่ไม่งยเลยนแจะบอกว่าบางครั้งเราก็ปากกลางแต่ก็ยังดีที่เราบอกว่าเราไม่ยอมแพ้ แกมาที่แพ้เนี่ยเพราะกรรมการไม่จับแพ้เราก็จะได้ไม่โทษตัวเองแต่ที่จริงอ่ะใจข้างในเราไม่เอาแล้วเราเป็นนั่งจับคอจับเข่าคุยกันดูนะถามีจริงๆครมันอยากพ้นทุกตลอดเวลาไปเนี่ยเขาจะพูดอีกอย่างเลยนะเขาบอกไมห่หรอ า, ายังมีภาลายเยอะบางทีเนี่ย มันเป็นปัญหาโอ้โหเพรามันต้องมีภาระมันจะทํำยังไงเพราะว่ามันต้องมีมันจะทํายังไงมันมีพาราเพราะ่าก็นี้ไงที่พระเจ้าเล่สบอกว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ยินดีแล้วในอะไรใช่ไหมแล้วสิ่งเหล่านี้มันมาสร้างใหม่มันเก็บภารากันใหม่แล้วก็ไปทบไหนก็ไปสร้างแล้วมันทําเสร็จไหมแล้วมันก็ไม่เสร็จทันทีเลยอะการงานที่เราทํากันไว้ทั้งหลายเนี่ยคั่งค้างหมดเลยเป็นอาณากราหมดแล้ว เจ้ามเออเป็นนากราหมดแล้วพุทธเจ้าบอกอย่าทําการงานที่ข้างค้างก็หมายถึงทํากิจ ใ, ให้เสร็จถ้ า, ถาอถฏฐลึกจริงไงนะทากิจสิบหกอ่ะกิจในอริยสัจ ใ, ให้เสร็จถ้าใหญ่เป็นค้างถ้าค้างมันจะไปเกิดเราก็มาเรียนมงคลเงินแบบธรรมดากันอยู่นี่แหละเรียนมงคลต้องประหยเรียนมงคลนเ่การงานไม่ค้างค้ามันก็ถูกนะไม่ใช่ไม่ถูกเนะื การทําการงานแบบไม่ข้า ง, าง้างทั้งหลายก็ถูกนะพื้นฐานเลยถึงก็ไปเแต่เรื่องจริงๆนั่นแหละงานกล่าวคือการทําอริยสัจ่ยกําหนดรอบรู้ทุกขสัจล้าสมุทัยยะสัจจากธรรมนิโรธให้แจ้งเนี่ยแล้วก็อบรมอริมาร์ไงนี่สูงจริงๆต้องหมายถึงตัวนั้นไม่เราเรียนมงคลกันแปลมงคลกันจบไปไม่รู้เท่าไหร่พัดเต็มบ้านเต็มเมืองเลยตอนนี้ต้องไปนั่งดูต้องไปถามผู้เรียนมงคล บางทีปทศสามปทศสี่ปทศสี่ปทศห้าปทศแปดมงคลกัน่ไหมแปดมือเท่าไรมงคลจริงๆท่านท่าน น, นั่นไม่ดีนะต้นซอนอ่านไปเยอะก็อธิบายบกันก็ไปติดอยู่มงคลอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ ม, ง, ม, มงคลยังว่าแหละมงคลต้นๆก็บอกฟ้องอยู่แล้วจะขึ้นไปถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานจะถึงปร han han a, จจิยนิพพานกันได้ยริงไม่ต้องพูดถึง ยิ่ไม่ต้องพูดถึงอีกแ น, นี้ยากไหมล่ะต้องบอกว่าไม่ยากหรอกถ้ายากทำไมมีคนบรรลุแล้วก็นับจำนวนไม่ได้ด้วยใช่ไหมแสดงว่าไม่ยากในสายตาของเขาแต่มันนั้ยากในสายตาของเหล่าสาัตว์ผู้ไม่ใคร่หรือผู้ที่ไม่มีใจในการที่จะเดินไปเพื่อการท้ทุกข์ทนัานใช่ไหมเราก็แบ่งพวกไวก้เราจะอยู่กลุ่มเนี้ กลุ่มยากต้องบอกว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีและวใช่ไหมแต่อย่าเป็นสักวันหนึ่งนานเกินไปบอกสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเล่นแล้วโอ้จะเดินไม่ไหวลาบากเลยเดี๋ยที่จริงๆเนี่ยอนาคตภัยที่พึ่งสังขวานี่สักวันหนึ่งเราจะเดินไม่ไหวสักวันหนึ่งเราจะคิดประทับไม่ได้สักวันหนึ่งเราจะผฟังก็ทําไม่รู้เรื่องสักวันหนึ่งเราจะกลาถึง็คนหลงหลงด นั่นแหละนะโคตภัยตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงก็ระดมความเพียรระดมศรัทธาระดมสติระดมสมาธิแล้วระดมปัญญาเสียเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อเห็นแจ้งในธรรมที่ยังไม่รู้แจ้งอย่างเนี้ยนะอย่างนี้เป็นตัวปกุกร้าวไหมคิดอย่างนี้ยปล่อยมะแต่คิดอย่างเนี้ยเขาก็ตรึกก็ใข้ควรว่าพิจารณาอย่างนี้แล้วอย่าปล่อยช่องว่างการคิดยาวที่ผ่านมาบางทีแล้วโอ้โห ห้าวันยังไม่ได้คิดมุมนี้เลยเนี่ยเขาคิดทุกวันวันละหลายๆรอบใช่ไหมเริ่มต้นจากการคิดทุกวันหลายๆรอบลองลองไปทํางานปึกนึงก็ลองเห็นโทษของของสร้าสารวัตรดูดูลองขุดดินเนี่ยนะปอกเข้าไปโอ้ยเล่นสัตว์ปลาตายไปไม่รู้เท่าไหร่นี่ปลานาธิบาคก็เล่ลแล้วแล้วเห็นไหมสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในดินมากมายนะ โดนจอบยนเสียมพวกเราเสียบเข้าไปเนียโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่แล้วขุดปิกนึ้อคิดตัวเดียเหม่ยถ้าเราไปเกิดเป็นนัก บ, บัยญัตแล้วก็จะโดนทุบหัวอย่าเงี้ยน้องเนียไปต้ อ, ต อ, ตอคิดตัวเดียวเองถ้าคิดนี้ไม่ได้ <S <S นั่นแหละถ้าคิดถึงเงี่ยเราต้องคิ้ง ใ, ใจบอกลองนั่นๆก็ลองเอาอะไรตีหัวตัตวเ อ, องบอกเหมอนเจ็บเหมือนกันนะขอโทษนะพีอ่อยู่ที่กูก็เขาก็บอกว่ า, าที่เขา มันเถียกัยังไม่จบเลยตอนนี้เราเอกสารนี่ยคุยมันไม่รู้เรื่องเพราะมันก็บอกเปนอยู่ตรงนี้ผูย่าตายายามันไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมไ อ, อ, อเราก็บอที่ของเราตอนเรามีรถโนนนี่มีนสาว 3, ใช่ไมเราถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราต้องสเสียไอ ส, ส า, ารเจรจาเพรามันเขาไม่ต้องเสียกันหรอกหลอกไปนี้มันเกิดขึ้นเองเพราะเองเขาเองมาตั้งเขาพรรษากรณีทาไมเราในกรณี ที่ยะจับจองกันนี่บอกเขาไม่เคยมีปัญหาอย่างนี้เลยใช่ไหมวายศาสตร์เป็นไงขึ้นลงข้นสั น, มนไม่เคยหรอกมันไม่เคยไปทํำถนนมันเสียเวลามันเสียเวลาต้นไม้กินไม่อยอมาเลยเคยคิดงนี้เวลาเนี่ยในบ้านมันหมดเลยเนะนี่ยนี่ยวดเอ้ยอนะไรเอยในบ้านมาันแต่เราไม่อกวบ้านเราใช่ไหม ก็ไม่ อ, อยู่มาอย่างยาวนานปูย่ย่าตายายอยู่อย่างยาวนานมันก็สืบทอยมาใช่ไหมไม่เสืบทอยมาเขาบอของมันดิเราเองมันยุ่งๆเป็นของเราอยู่ดีล่ะจริงๆเนี่ยเราไปเข้าใจของเราเลยนะใช่ไหมคือสัตว์ทุกประเภทเนี่ยไปอยู่ตรงไหนยึดตัวเป็นของเรเองหมดถ้าถานางศิรีมาใช่ไหมเมื่อนางศิรีมา อีนางสามอวเดีะจ้างให้ไปดูแลสามีเองตงัวเองไม่นานเลยนะแค่สามเดือนเองยยึดกันแล้วที่สามีหรอกสามเดือนยึดแล้วทั้งทังที่จ้างด้วยนะจ้างเลวยนะ ด, ดูดูดนะีเนี่ยโอ้โหแท้จริง เ, เขายึดแต่วันแรกเลยก็ค่อยยึดมาแต่พอยู่ต่อมามันจะพบตารวจเนียเ่ยโอโสหรกดแล้วเอาําร้อนไปสารดิสารหน้านางสามอวเดียพี่ต้นเนี้ย นี่เห็นไหมเนี่ยนั้นเราอยู่ถึงไหนเราไม่รู้ตัวเรากว่าเรายึดตั้งแต่วันแรกแล้วพอรู้อารมณ์ไหนยึดอารมณ์นั้นชอบใจอารมณ์ไหนมันมีความยึดในอารมณ์นั้นแล้วทุกอนูแห่งความชอ บ, ชอบนั้นมันมีตัวยึดอยู่หมดเลยเราไม่เคยรู้เราอะไรยึ ด, ดเราไม่เคยสังเกตเองไงถ้าสังเกตหน่อยเราจะ ร, รู้ทุกความคิดที่เราคิดถึงทุกอารมณ์ที่เราเร า, เร า, เ, ราเราน้อมไปหาถ้ายินดีพเพลิดเพลินวอะไรนั้นคือความยึดติดทุกๆุกอนูทุกๆุกเม็ดความคิด ทุกๆหน่วยความคิดแต่สัตว์โลกก็มีโมหะปิดคิดไม่ทันแล้วทัท่องเทยนโดยที่ว่าเราเดินออกจากสิ่งนั้นยังอะไ ร, ะไรมากทุกชิ้นเนี่ยทุกชิ้นถ้าไม่ได้วิจัยแล้วเป็นที่ตั้งของปัญหาหมดอเอาแคนะ่นั้นเลยแล้วปัญหาเกิดณที่ใดเป็นไปไม่ได้ที่ที่ถี่มานะจะไม่เกิดไม่เกิดหมดเป็นเราเป็นของเรา เป็นอัตราของเราหมดเลยใช่เชื่อฟ้องกับเราเป็นส่วนนั่นแหละคือคือสิ่งที่จะต้องไปนั่งวิจัยกันว่าในสังสารวัตรที่ผ่านมาเรายึดกันมาเพียงมากแล้วไอ้จุดตัวยึดก็ก้อนโตเบเร้อแล้วยึดเบ็เสร็จก็ทิ้งยึดเบ็เสร็จก็ทิ้งยึดเบ็เสร็จก็ทิ้งเพราะมันจำใจต้องทิ้ง มันไม่อยากทิ้งไไปเจอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ได้เห็นคนหลากหลายแต่ก่อนเคยคิดมากว่าคนคนมีทรัพย์มากมากจะมีสุขคิดอย่างนั้นจริงๆพระ อ, อาจารย์คิดอย่างนั้นจริงๆคิดว่าเออเขาคงมีสุขมากกว่าเราเพราะเราอยู่ตามท้องไร่ท้องนาใช่ไห ก็มองเขาคงมีความสุขส์อแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเขาเขากับทุกข์มากแต่จริงๆปริมาณทุกข์เนี่ยมันจะไม่ต่างเลยแต่จริงๆสรุปแล้วก็คนที่เขาไม่มีทุกข์ก็คือคนเขาเป็นรูุ้เท่านั้นเองนอกนั้นทุกหมดเลยทุกหมดเลย แม้แต่ก่อนไม่รู้จริงๆเลยนะเพราะชีวิตก็ถูกบอกมาบอกว่าขยันเรียนนะจะได้เป็นเจ้าคนในคนแม้แต่ก่อนสอนกันแบบนี้นะจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้สบายเนี่ยเราสอนแค่ น, นี้ว่าถูกแนะนำแต่จริงๆแล้วมันมีใช่แล้วมันมันเข้าใจใผิดผิดมากด้วยไม่ใช่ผิดธรรมดาเมื่อไปเจบ ป, ปริญญาจะมีความสุข ไปรับใบประกาศจะมีความจุไปถ่ายรูปอไทีมันไม่ใช่ใช่ั้ยเราเข้าใจผิดหมดเลยเพราะเราไม่ได้เดินตามวิธธรรมของพุทธเจ้าเราเราที่นี่เราก็ถูกถูกขัดเกลามาอย่างการแสวงสิ่งที่มันไม่ไม่ถูกมดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่จะให้สัตว์ศัตรูตามไม่ได้ง่าย เราสัตว์ผู้ยินดีแล้วด้วยความกำหนัดถูกความถูกกองแห่งความมืดเน่ยหุ่มห่อแล้วจักไม่เห็นทำมันทวนกระแสไอ้ทำที่ทวนกระแสนี่คือพันิพันธ์เนาะละเอียดมากลึกซึ้งเห็นได้ยากเป็นอนุอนุในที่นั้นก็หมายความว่าปรนนีบตเมื่อพระครูเมียผ้าเจ้าทรงพิจารณาเห็นดังนี้แล้วหาไทยนั้นก็ทรงน้อมไปเพื่อขนฝ่ายน้อยไม่ทรงน้อมไปเพื่อจกักแสดงธรรม ก็คือว่าพอพิจารณาอย่างนั้นเบียเสร็จแล้วก็มาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็บอกว่าจิตใจของพระพุทธองค์เนี่ยก็น้อมไปในการที่จะข้นขวายน้อยเั็มทีค้นขวายน้อยในที่นั้นก็หมายความว่าไม่แสดงธรรมใช่ไหมพอพระองค์มองแล้วถ้าพระองค์มาแสดงธรรมเนี่ยกายก็เหนื่อยวาจาเขเหนื่อยใจเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตใจจะไม่เหนื่อยแล้วนะเหตุที่ไม่เหนื่อยเพราะอะไรรู้ไหมเอาที่เราเหนื่อยใจกันทั้งหลายยังเหนื่อยเพราะอะไรอ่ะ เนื่ยเพราะราคะเหนื่ยเพ ร, ะราะโทสะเนื่อยเพระาพระโมหนะเนี่ยบางคนเคยเคยไหม อ, อ่อนอกอ่อนใจเคยเป็นไ้มล่ะไอ้อ่อนอกอ่อนใจเนี่ยเหนื่อยใจเนี่ยคือคนมีกิเลสคนหมดกิเลสจะไม่เหนื่อยใจแต่เหนื่อยกายกันเหนื่อยวาจาเนี่ยสองส่วนนี้เท่านั้นเนี่ยฉะนั้นคนที่ยังเหนื่อยใจทั้งหลายทุกข์ใจทั้งหลายลําทานใจทั้งหลายเนี่ยอันนั้นคือคนมีกิเลส ท่าพระพุทธเจ้าบอกว่าจะเป็นความลําบากของเราอ่ะพระองค์บอกว่ากายจะลําบากวาจาก็จะลําบากไอ้จะขยับปากขึ้นปากลงอย่างที่บอกอ่ะกายที่จะต้องเที่ยวจาริกไปตามที่ต่างๆก็จะโปรโดเวนิยสัตว์เนี่ยเวนิยชนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกเดินดอย่างด้วยพระบาทป่าลองคิดดูที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระบาทประดับไปด้วยรัตนมงคลเนี่ยร้อยแปรตรงตลางฝ่ากพระบาทนั้นมีตราทรับมีมกรงจักรใช่ไหม แล้วก็มีมงคลทั้งร้อยแปดมีรูปห อ, อกอยู่ทั้งเท้าขวาเท้าซ้ายมีพระแสมห อ, อกเนี่ยหมายถึงอะไรธรรมะอะไรผลเป็นต้นเหล่านี้ยลองคิดดูที่ต้องเหยียบย่ําไปตามที่ต่างๆมันเป็นความลําบากเพราะร่างกายยางเหลือล้นคนที่สร้างบารมีมาระดับยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากราบเนี่ยพระองค์จะต้องมาทนลําบากในการเหยียบย่ําไปตามสถานที่ต่างๆที่ขรุขระเต็มไปหมดเนี่ยเนาะไม่สมควรไง ถ้าพระ อ, องค์จะลำบากพระวรากายจัระทีแล้วควรที่จะนะควรที่จะอะไรควรที่จะสัตว์โลกนั้นได้ตัดสรู้ตามหรือตัดสรู้ตามง่ายๆแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยที่พระ อ, องค์สั่งสมบา ร, รมีมาก็พยายามเชิญชวนตลอดใช่ไหมหวานทานยินหาประมาณไม่ได้ไม่แ่ใหญ่พะยีละทานอย่างเดียวเนีะอัจฉริยะทานทานภายใ น, นก็หวานหวานนองตามากกว่าดาวบนทองฟ้าบาหวานศรีรษะออกมาเนี่ยมากก็ ภูเขาสิเนรุหมายความว่าดินเนี่ยเม็ดหินเล็กๆในภูเขาซิเนรุเนี่ยเอาเนื้อออกมาก็มากกว่าแผ่นดินเนี่ยนะที่ให้เป็นทานเอาเลือดออกมาก็มากกว่าน้ํานี่มาทั้งหมดหวานอย่างนั้นเพื่อจะให้สัตว์โลกได้เห็นเนี่ยว่านี่ไงให้สร้างอัธยาศัยพนทุกกันนะแต่จํานวนหนึ่งเนตั้งจํานวนหนึ่งขนขวายแต่จํานวนมากไม่ยอมขนไายสามใช่ไหมความบอบยิงเนี่ย คือลองดูสิแองเรา ล, ลองลองลองลดขึ้นระดมดูดิในการที่นั่นมันจะมีคนตามเราไม่เท่าไร่เรายังมไม่เท่าไรหรอเราบอกพี่บอกน้องบอกเลยเอาละเราจะเจริญกุศลอย่างมุ่งมั่นอย่างแรงจังเนี่ยจะมีคนตามเน่ยตามยอมอยู่ไม่เท่าไหรหรอกน้องแลนเขาบอกโอ๊ยไปแล้ะทาอะไรกันขนาดนั้นก็ไม่รู้มันจะมีเสียงนินทาตามมาเต็มเลยะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงามองโอ้โห อะไรขนาดนั้นบ้าไปแล้วมั้งเนี่ยอะไรเขาจะมองนี้จริงๆเลยนะเนเป็นอย่างนี้จริงๆทิศจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าพอดำริในลักขณะอย่างนี้ถ้าเรามองวอัดแล้วนึก ว, ว่าให้สังเกตนะถ้าเราสังเกตอักขระคำสอนได้ถูกเนี่ยนะเราจะเข้าใจเวลาพรบรมศาสดาทรงเหยียบย่างบบั๊ไปตามที่ต่างๆสังเกตไหมว่า ที่ต่างๆที่เป็นหลุมเป็นบ่ก็จะหลีดจะหลบที่เป็นตอเป็นหนามก็จะหลีดจะหลบนอบนอบถวายพุทธบูชาท่านคิดยังไงเลยไที่ว่าสถานที่แผ่นดินต่างๆเหล่านั้นไม่มีจิตใจยังรู้จักคารวะพระบรมศาสดายังรู้จักนอบน้อมพระบรมศาสดา แต่สัตว์โลกที่มีใจทั้งหลายที่กระด้างกระเดื่ยงไม่นอกไม่เคารพพระบรมสารีรินธาตุกันอายุเห็นไหมมันน่ารังเกียจแท้บอกงี้ให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะพระราษฎรที่สร้างเอาจากพระวรกายของพระผู้มีพรนะภาคเจ้าเนี่ยที่ประดับไปด้วยมหาปุริสราขนะาะสามสองนู้นไปยังเนี่ยสร้างออกฉับพันในลังสีเนี้เวล า, นะวาลแขกมาเบียเสด็จยังไม่วิ่งไปข้างหน้าก่อนเนะี่ยขึ้นไปข้างบนเอาเวียนประทับศีเออ ประทักษิณทําความโคตรลพระผู้มีพรภาคเจ้าไปเสด็จแผ่ไปตามกระทบสิ่งต่างๆไม่มีใจดังนั้นเลยเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้แปลกไหมท่านต้องการอักขะตรงนี้ต้องการให้เราท่านทั้งหลายเนียรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นว่าเรานั้นกําลังทําอะไรอยู่และเคารพพระพุทธเจ้ากับจริงหรือไม่ กายวรรณน า, นาวัจีวรตนน า, นาและมนโนวรตนน า, นาชัดไหมเห็นไหมถ้าตรงเนี้ยเราจะได้เห็นจะเห็นว่าพื้นแผ่นดินนะ้นําไฟดินลมทั้งหลายเขาก็าลบวุตติเจ้าทั้งหมดเนี่ยถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เห็นตรงเนี้ยเมื่อพระบรมาศาสดาไม่น้องมาไทยเพื่อจักแสดงธรรมครั้งนั้นสามบดีพรมทราบปริวิตรของพระบรมาศาสดาแล้วก็จะมีความต้องรีบว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะฉีกหายแล้ว ท่านใชศัพท์นี้จริงๆนะมาเชียวเนี่ยเสริมใหญ่จี๋มาใหญท่านพูดเจริญทั้งหลายโลกจะพินั่นเนาะคือตรงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากคาสอนจะเข้าใจจะเข้าใจที่บอกว่าพระพุทธเจา้านี่ยถ้าบอกว่าความปริวิตกบังเกิดขึ้นเนี่ยนะความปริวิตกทางใจที่พระบรมศาสดาคเคยสั่งสมมาอย่างยาวนานนีเกิดขึ้น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 ของตปุส่างและพลิกาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแปลว่าเลยสัปดาห์ที่ 7, เจ็ดใช่ไหมพระเจ้าเสวยมุติสุขอยู่เท่าไหร่เจ็ดสัปดาห์เจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้า7 7วันนี้ครบแล้วเนั้นเนี่ยที่พระองค์มาบริวิตจบเนี่ยกลับมาที่ต้นอัชาปา ร, า, ปรานีโคดอัชาปาราีโคดที่เจอกับพราหมณ์เนี่ยที่ร้องหิงหิงเนี่้ยร้องหิงหิงที่โกรธพุดยาวตอนนั้นจาได้ไหมศึกษาพุทธบุตรเคยศึกษาไม้มล่ะนั่นแหละตอนนั้นขู ว่ตัวเองเป็นพราบตอนนั้นได้บรรลุแล้วคือได้ตัดสรู้อริยศสัรธรรม ท, ทั้งสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมาแล้วก็พิจารณาตัดสรุปปัญญาการทั้งเบ็ดเสร็จหมดแล้วปัญญาการสิบสองที่เรียวิชาปัญยาสังขาราเป็นต้นถามว่าอริยศาสตร์เนี่ยลึกซึ้งไหมลึกซึ้งไหมบาลีท่านใช้คําว่าคมพีโรคำพีระพราพลึกซึ้งนี่ก็จึงเรียกไงนี่เขาเรียกอะไรเนี่ย อย่างนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกคำพี์เนี่ยคำพีระแปลว่าอะไรลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งโดยพยันชนะเขาจึงเรียกว่าคมพี์เขาแยกกับว่าคำพีใบเบิลมืนลึกซึ้งอะไรเราเน้่ยยังไม่ควรเรียกไม่ควรไม่ควรเรียกคำพีในหนังสือลึกซึ้งอะไรก็นั่งพิกใช่ไหมฉบับเดิมจริงๆอะ่ะเขซูะสอนอยู่กี่คำเจ้าป้า เดินไปไม่ถึงชั่วโมงกอ่านจบเขามีวางตื่นตึงอะไรเลยคนติดกันตัวโลกเนี่ยเห็นไหมไม่มีความตื่นตึงอะไรเลยอย่างนั้นนะไม่ใช้คำภี้หรอกเอาแค่นั้นซื้ออ่านเล่นใช่ไหมซื้อ่านเล่นจริงๆเลยนะแต่อย่างว่าแค่นั้นก็โอ้สั่งตวลึกซึ้งของเขเลยอ่านการอ่านดูแล้วก็มีลึกซึ้งอะไรเลยต้องอย่างนี่สิต้องมาอ่ด้วย ต้องบอานดูทีเนี่ยนี่ลึกซึ้งนี่คำภีโรนั่นแหละอ่านแล้วเราจะรู้เลยโอ้โหมื่นเลยมั้ยนั่นแหละอ่านแล้วมึนเลยเอะมีตรงไหนเนี่ยว่างั้นอย่างเงี้ยดีลึกซึ้งตัดสรู้ได้ยากนะลึกซึ้งแรกแสดงเี้ยสัตว์สัตว์สรู้ตามได้ยากคือบรรลุยากบรรลุเรียสัตว์ยากคือจะเห็นทุกล่าสมุทัยตอนนี้โรดได้แจ้งแล้วก็ ประชุมมรดแปดเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเห็นได้ยากคือเห็นได้โดยลําบากมากอันใครๆไม่อาจจะเห็นได้โดยสะดวกเพราะลึกซึ้งเชื่อว่ารู้ตามได้ยากไหมรู้ตามได้ยากคื อ, อยังรู้ได้โดยลําบากเพราะเห็นได้โดยยากใครๆไม่อาจจะอย่างรู้ได้สะดวกสงบสง บ, สงบมาจากคำว่าสันโตเนี่ยแต่จะดับสนิทก็คือพระนิพพานเนี่ยเป็นธรรมที่สงบและดับสนิทประณีดด้วยแล้วดื่มดังไม่รู้จะอิ่ มันไม่รู้อย่างท่านกล่าวถึงโลกุตรธรรมที่โลคุตรธรรมมีเนื้อมาสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยท่านใช้คําว่าอตักาวะอตักา ว, วาะเจโร ก, ก็แปลว่าตึกคาดคนีไม่ได้ไม่สามารถจะเดาทิศเท่าทางได้หรอกเพราะมิได้ไปทําที่เป็นไปกต่การตึกเขียนต้องแยกให้ออกนั้นเนี่ยหมายถึงตึกตึกตึ ก, ตกไปมองไอ้เป็นยังไงนะเนี่ย นิพภานจะมีลักษณะยังไงมรตีจะเป็นลักษณะยังไงเนี่ยไม่ใช่แต่ถ้าใช้สัมมาวิตกก็ะจะละกามาวิตกไปถึงได้องพูดอย่างนี้ไอต้ตรงเนี้ยคนก็เลยบอกว่ยห้ามตึกห้ามคิดมันยุ่งย่ไม่ใช่ธรรมดานีแล้วก็กรณีที่บอกว่าจะพึงคน้นพึงอย่างลงโดยการไม่ตึกรนะไม่ได้ทีนี้เห็นได้ด้วยอะไรเห็นได้ด้วยยานนะ พนิพพานที่เห็นได้ด้วยญาณก็คือปัญญาในโสดาปันิมัคสกาธาคามิมัคอานาคามิมัคแล้วก็อรหัตมัคเออจะอย่างลงเห็นได้ได้เท่านั้นที่ปัญหาคือว่าให้สังเกตดูนะปัญญาเนี่ยที่จะยังเห็นพรนิพพานได้เนี่ยปัญญา น, นั้นจะต้องอย่างเห็นอะไรก่อนปัญญาในขั้นต้นก็คือเห็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปัญญาในขั้นต้ น, ตนเนี่ยเห็นโทษของรู ป, ปขันเห็นโทษของเวทนาสัญญาสังขารมีญาณถ้าปัญญาในขั้นของ เกี่ยวกันเรื่องการเห็นโทษเนี่ยนะเห็นด้วยความเป็นนามเป็นรูปเป็นเศษแล้วเห็นด้วยความไม่เที่ยังเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอะไรก็แล้วแต่ในส่วนจริงต้องเห็นโทษเห็นว่ารูปนามกันหน้าตาของจหูกเล่นกายใจเป็นเดนเป็นไทยเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นเดนอย่นี้ใจถึงจะน้อมไปเพื่อการเห็นภายในผ่านเพื่อออกจริงๆถ้าตรัสได้ตรัสหนึ่งล้วยังมองว่าตาหูจะมูกเล่นกายใจดีอยู่ไม่ไม่มีทางไม่มีทางใจจะอยากออกจะอยากออกได้ไงใช่ไหม โอ้ตอนนี้เราแก่แล้วเดี๋ยวเราตายไปแล้วเราไปเกิดใหม่แล้วได้ตาหูจมูกเล่นกายใจใหม่เราคงดีแล้วแต่กคิดอยู่กันอยู่แค่นี้จริงๆนะคิดอยู่แค่ตาหูจมูกเล่นกายใจแค่เนี้อสัตว์โลกไม่เคยคิดอยากออกใช่ไหมเอาค่คิดอยากออกก่อนนี่นะเยเพิ่งจะคิดว่าเห็นว่าการมีตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นความเจ็บปวดเป็นโทษที่เราจะต้องดูแลต้องบริหารอะไรต่างๆให้สังเกตดูเวลาศึกษาในสติปัฏฐาน ที่ท่านบอกคัดเชนโตวาคัดฉามีติปชาณนาทีนี่พอมีตาผมจะหมูกเล่นกายใจนในทางเดินนี่ที่โตวา ท, ที่โตมีาาติปชาณนาทีท่านบอกให้รู้ตัวเนี้ยบอก๋อการที่เราจะต้องเดินต้องยืนต้องนั่งต้องนอนถ้าเราไม่มีตา ห, หมจะหมุกเล่นกายใจเราก็มีการเดินการยืนการนั่งการนอนในรายละเอียดที่การก้าวไปถอยกลับการแลการเลี้ยวคู่เข้าเหยียดออกใช่ไหม กินเดิมเคี้ยวลิ้นไทยอุจจะปัสสาวะหมผ้าทั้งหลายใช่ไหมการยืนการเดินการนัง่งการนอนการหลักการตื่นการพูดการนิ้มใช่ไหมอันนี้มันเกี่ยว ก, กับการมีตาหูาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราต้องมาทรามานอย่างนี้จริงๆยังไม่ยังถ้าเราไม่มีตาหูาจมูกลิ้นกายใจเสียเราจะต้องมาลําบากลําบนกินจะทำไมอีกทีการมีตาหูาจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาวิจัยเนี่ยเขาวิจัยนั่งว่าเออมันดีจริงไหมเนี่ พระพุทธเจ้าบอกดีไม่จริงยังไแล้วก็นั่งวิจัยเลยวเจ้าว่ามันมีอาสาทาอย่างนี้นะมียาทีนวาวะอย่างนี้นะนี่คือส่วนดีนะนี่ส่วนเสียนะพอพิจารณาทั้งสองส่วนโอ้ในส่วนจริงมันก็เป็นไปเพื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปนั้ น, นาตาเป็นต้นพอเขาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ใจก็น้อมออกนี้เป็นต้นฉะนั้นคําว่าพระนิพพานเนี่ยละเอียดหรือโลกุตรธรรมตั้งละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิต มานจะคำว่าปัญจิตาเวทนิโยปัญจิตาเวทนิโยเนี่ยอันบัณฑิตผู้ปฏิบัติโดยชอบเท่านั้นถึงจะรู้ชอบในที่นั้นอัชอบอยังไงบัณฑิตที่ปฏิบัติโดยชอบนี่บัณฑิตนั้นก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติโดยชอบก็หมายถึงว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนั้นต้องเป็นสุจริตใช่ไหมถึงบอกปฏิบัติโดยชอบ ทีนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังปะเป็นต้นเหล่านี้ยอันนี้เขาเรียกสัมมามัชนี่เขาเรียกปฏิบัติชอบถ้ามิฉามัชฌิณเ้าเรียกปฏิบัติไม่ชอบก็ปฏิบัติผิดแล้วก็มาไล่ดูดีจากเบื้องต้นอย่าลังเลฐานของมัชฌิดูดีเอาศีลสมาธิปัญญานี่ชอบถ้าศีลก็ไม่มีสมาธิก็ปัญญา ม, มีไม่ก็ปฏิบัติไม่ชอบอย่างเงี้ยนะก็ให้วิจารณาอย่างนี้เราเห็นอ๋อ ไอ้กรณีที่บอกว่ารู้ได้เฉพาะบัณฑิตหมายความว่าปัณฑิตตะเวทนโยเขาบอกว่าอ๋ออันบุคคลผู้เป็นบัณฑิตได้ฟังว่าธรรมของพระเจ้าเป็นพระหูสูตรนะเป็นสายบุรุษทั้งหลายเหล่านี้ได้อบรมธรรมฟังธรรมของพระบรมศาสดาเทั้งจึงรู้คําว่ายังยินดีด้วยอะไรนี่หมายถึงพวกสัตว์ที่ยินดีด้วยอะไรนะมาจากคาว่าอารยะรามาสัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในไหนติดอยู่ใน รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วจริงเ้ยอ่ะสัตว์เนี่ยติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเนี่ยไอ้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยก็คือสีสวยๆเ ส, สียงเพลาะเพลาะกลิ่นหอมๆรสอร่อยอร่อยสัมผัสนิ่มๆอันนี้เขาเรียกว่าติดอยู่ในวัตถุกลางไอ้ที่ตัวกรรมมะคุณทั้งหลายเนี่ยนะทําไมก็ถึงเรียกกามมคุณรูนน้มั้ยกรรมมาเนี่กามมาเนี่คือความใคร่ คุณนะในเบลว่าเครื่องผูกแต่ก่อนนี้เคยทำฟังธรรม ท, ทีแรกเนะียฟังทีแรกมีพระเถระรูปหนึ่งตอนนั้นนะที่ได้ฟังธรรมครั้งแรกเลยนะที่มีพระมานั่งบรรยายนะไปนั่งฟังเมื่อปีสองพันห้าร้อยี่สบสี่ปลายปียังจำได้เลยไปฟังที่กรุงเทพมีพระดังอยู่รูปหนึ่งท่านมรณะพ่อไปแล้วท่านมาพูดเรื่องดาวมะคุณ ใหกรรมมาคุณเอ้เรามองเนี่ยมันคําว่ามันเป็นคนุณหรือเนี่ยยังไงตอนนั้นใจมันก็ยังไงเพราะท่านบรรยายบรรยายไปไปเสร็จเขาก็ปล่อยขครอยากถามเลวอานมาเนี่ยเป็นคนยกมือถามเป็นคนแรกเลยมันนั่งต้องอยากเจ้าปังก็อยากบรรลุถามบอกว่าอท่านอาจารย์ครับท่านดังมาพระหลวงเนี่ยทาไมเขายังเรียกว่ากรรมาคุณท่านก็หัวแล้วคือคือคือคือแล้วทํานไม่ตอบเนี่ย ท่านบอกเอามันเป็นมันเป็นคุณไม่เล่าท่านพูดแกนั้นเลยท่านบอกมันเป็นคุณม่เลก็เลยบอกว่าเองมันมันเป็นคุณที่ไหนมันเป็นโทษเองใช่ไหมมันทําให้สัตว์ติดอยู่ท่านก็เลยหมดแล้วเขาไม่ตอบเนี่ยนะแล้วก็ติดใจทําไมยิงเรียกลามาคุณทําไมยิงเรียกกลามาคุณใช่ไหมที่ไหนได้คุณนะไอ้เบลเครื่องพูกกลัวจะมารู้เนี่ยเป็นสิบปีเนี่ยแค่โทรศัตท์เดียวเนี่ยกลัวจะรู้อะ คุณณศัตว์เดียวเนี่ยหาไม่ได้สิปีปอธิบายไหรืออธิบายไปงั้นเลยแต่ในใจเรารู้ไอ้ทำไมต้องเดียวกามคุณน้องคนศทต่างๆได้อัถะเราเข้ามีถึงเป็นเครื่องผูกจริงๆนะคุณณสัตว์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมัติคุณวิวัติญาณทัศนะคุณไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรพ่อคุนไม่ใช่เป็นคุณแก่สัตว์ แต่จริงอยู่เป็นอาศาท่าของสัตว์ได้จริงจริงัดทั้งหลายที่ไม่เห็นโทษเนี่ยก็าถียงคันว่าการมมคุณเป็นคุณของเขาแต่แท้จริงการมคุณเป็นเครื่องผูกอาผูกไหเป็นโซ่ใหญ่เป็นโซ่เลยไหมผูกจิตของสัตว์โรคให้ติดอยู่ไหมล่ะห่วงบ้านไหมล่ะห่วงลูกไหม่ะห่วงตัวเองไหมห่วงญาติมิตรไหมล่ะห่วงทรัพย์ไหมเป็นเครื่องผูกไห เส้นเบลอเลยกามคุณเนี่ยเส้นอย่างหนาเลยและอย่างยาวนานแล้วผูกมาแล้วผูกมาอย่างยาวนานมากในสังสารวัตรที่นะผูกแล้วเราแกะเครื่อนผูกนี้ไม่ได้เลยและในสังสารวัตรที่ผ่านมาอย่างยาวนานหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้เนี่ยนะในอดีตก่อนนะหาเบื้องต้นไม่พบนี่นะยังไม่เคยตัดเชือกผูกคือกามคุณนี้ได้สักเส้นเลย แปลว่าเราเนี่ยถ้าเรามองภาพนะลองจินตนาการดูที่ว่าทุกครั้งที่มีเราลราเกิดตัญหานะเกิดความโลภเนี่ยเราใช้เครื่องผูกผูกคอตัวเองแล้วก็มัดล่าไมไว้กับสิ่งนั้นลองดูปริมาณที่ผูกแล้วลองหลับตาดูที่มันจะมีอะไรติดตัวเราเต็มไปหมดเลยมั้ยมันเป็นสัตว์ประหลาดมากที่มีอะไรมัดยงคอตัวเองคอมัดตัวตัวเองแล้วไปผูกติดอะไรนุงนางเต็มไปหมดลแล้วยังไม่เคยแก้สักเส้นเลย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 เพราะยินดีด้วยอะไรเหล่านะั้นถามบอกว่าติดอยู่ในการมาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสัตว์นั้นก็เรียกว่าอารยาเนี่ยทธปัญหาผู้เที่ยงปัญหาใช่ไหมเอาการ ม, มาปัญหานับหนึ่งภาะวะปัญหานับอีกหนึ่งแล้วก็วิภาะวะปัญหานับอีกหนึ่งใช่ไหมก็เลยปัญหาสามกา ม, มาปัญหาเนี่ยแยกเป็นหกได้ไหม ยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมอารมณ์นี่เห็นไหมแยกเป็นหกเพราะว่าตัณหาความยินดีพอใจในโคก็แยกเป็น6กได้ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห่น ไ, ไหมแล้วก็ถึงธรรมอารมณ์แต่ น, นี่เกิดร่วมกับศัสัตว์ทิฏฐิเอาเลยสิการมาตัณหาเป็นหเพราะว่าตัณหาอีก6กเป็นเท่าไหร่แล้วหกสองเท่าไหร่สิบสองเห็นไหมวิภาวะตัณหาตัหาตหาที่เกิดร่วม ก, ก, กันกับความเห็นว่าขาดศูนย์อีกหก ยิน ด, ดีพอใจในรูปเขียนกินรถสัมผัสเหมือนกันน่าทาอาโรเหมือนกันนี่6กเบ็เสร็จก็คือว่าเท่าไหร่เนี่ย6 6 6-3 ครั้งเป็นเท่าไหร่สิ 18, ใช่ไหมนี่สรุปแล้วสิบแปเนี่ยนี่สิบแปดใปัจจุบันไหมปัจจุบันใช่ไห ม, ไหมอดี ต, ตอีก18บแปดไหมจะเป็นไปกันนะเพรอีก18ใช่ไหมหนึ่งชิ้นหนึ่งนี้ยังได้เลยใช่ไ นี่ก็าเรียกอะไรตัณหาเท่าไหร่นีตัณหาร้อยแปดแล้ถูกตัณหาร้อยแปดนี่ถูกติดแน่นหมดแล้วติดอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกาอารยานี่อย่าไปตั้งชื่อรูปนะคำว่าอารยานะอารยาตัวนี้แปลว่าออ่างสลาอลลิงยยกสลาอตัวนี้อย่าไปตั้งเพราะตั้งมาแล้วมันแปลว่าตัวตัวอะไร ตัวอะไรอวรใช่ไหมตัวผูกพันตัวอะไรอวรอย่าไปตั้งระบกหลานจะตั้งชื่ออะไรายาวอย่าไปตั้งนะพวกไอตัวอลไรเลยวะงั้นเนี่ยมันชื่อของตันหาเป็นชื่อของตันหาร้อยแปถ้าจะตั้งก็ต้องไตั้งเนี่ยตั้งชื่อกามาตนะไปพ ว, วัาวาตนะกกวิพวัตนะใช่ไหม ตั้งชื่อเองนั้นถึงอยู่ก็สับสเดียวกันในอริย า, ยาเพราะฉะนั้น้ท่านจึงเรียกว่าอริยาสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าอริยารามาเนี่ยรามาเป็นชื่อของสัตว์เพราะอะไรเพราะสัตว์แบบนั้นยินดีแล้วยินดีในอะไรยินดีในอะไรยินดีแล้วอะไรสัตว์ชื่อว่าอริยาลามาก็ยินดีแล้วคืออะไรเหล่านั้นยินดีแล้วในอะไรก็คืออริยาลตาก็ได้นะยินดีในอะไรก็ได้เบิดบานในอะไร มาจากคําว่าอาระยะสมุทิตาสมุทิตาคือไปแสดงอะไรไปแสดงมูทิตาด้วย <S <S ไปยินดีด้ว ย, ย, วยมาเคยไปยินดีไหมเขาแต่งงานก็ไปยินดีด้วยไปแสดงความยินดีที้เขาแต่งงานตอนนี้เปลี่ยนมาย้อนหันไปใหม่นะแต่เย็นก็แต่งงานก็นกลับไปบอกว่า ไปแสดงความเสียใจด้วยทำได้ไหมทำได้ไหมไปแสดงความเสียใจด้วยที่คุณเนี่ยมีอยู่คันห้าคุณก็ไปเพื่อมีคันห้าเป็นสิบเดี๋ยวคุณก็จะมีตามมาอีกห้าอีกห้า